ขอความสุขความเจริญตงุงมีน oh. ด้แต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องประสนะโกติก น, นะสืบต่อจากที่ได้กกราวไว้ในวันก่อนวันก่อนพูดมาถึงตอนที่ประสูนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วก็กราบทูลถึงข่าวสารที่ประมากระจายณะเทระฝากกราบประภูมิประภาคยาวข้อความเหล่านี้เป็นมีลัศษณะคล้ายๆก็เป็นธรรมเนียมเพราะว่าเราไปจะพบในที่อื่นทำนองก็คล้ายๆกันเกิดแต่พูดเป็นไทยง่ายๆก็ สอบถามข่าวสารทุกสุขดิบกันแล้วก็พระพุทธเจ้าก็รับสั่งถามถึงการเดินทางของประสนะโกจิกันนะแต่การแรกก็คือภาพรวมรวมบพทนไหวไหมแต่ก็กราบทูลว่าพอทนไหว ลำบากหรือเรื่องอาหารหรือเปล่าท่านก็บอกว่าไม่ลําบากแล้วก็สามารถอย่างอัตภาพไปเป็นไปได้หรือท่านก็บอกว่าสามารถอย่างอัตภาพไปเป็นไปได้แล้วก็พระโซน่ก็กราบทูลว่า ข้าพระองค์พึงอดทนได้พึงให้เป็นไปได้แล้วก็ข้าพระองค์มาสิ้นทางไกลด้วยความไม่ลําบากและข้าพระองค์ไม่ลําบากด้วยบิณฑบาตก็าถามสีประเด็นนะฮะก็พระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระอานนท์บุราตอสนะเพื่อให้พระโสณะได้พัก พระนนท์ท่านก็คิดแน่ยอนก่อนก็ตั้งข้อสังเกตว่าพระนรนทร์ก็บพระโนในใครควรจะบวชก่อนแต่พอดูคำตอบในตอนหลังเนี่ยพระนนท์น่าจะบวชก่อนเพราะว่าพระโสนะกติ ก, กณะพันษาเพิ่งผ่านมาพันษาเดียวเท่านั้นเองเนื่องจากท่านต้องรอ ให้คณะสงฆ์มาพร้อมกันก่อนคือครบสิบูป ก, ก่อนหรือครอรออยู่ตั้งสามปีจึงได้บวชแล่เทียบเคียงเวลาแล้วมันเราก็ต้องนึกว่าพระนรบบวชแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วกว่าจะรับแต่งตั้งเป็นพุทธอุปถากเนี่ก็หลายปีคือมันอยู่ในช่วงกลางพุทธสมัย เมื่อก่อนก็อย่างที่เคยผ่านเรื่องเมกขิยสูตรมาก็าแสดงว่าพระเมกขิยก็เคยเป็นอุปถาหรือที่เราพบในตอนก่อนพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานเนี่ยพระอุปวานะก็เคยเป็นอุปถาเมาก่อนแต่ก่อนพระก็เปลี่ยนกันเขารับใช้พระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ตายตัวลงไปว่าองค์ใดองค์หนึ่งคณะสงฆ์เห็นว่า บางครั้งมันเกิดสุญญากาศคล้ายกับตอนพระเมขิยะปรารถนาจะเข้าไปเจริญกรรมฐานในป่าแล้วก็ไม่รอให้ใครมารับหน้าที่ซะก่อนเนี่ยเรทิง้งบู้าไว้ตามลำพังคนะันสอุู่ตกลงเลือกพระอนุลแต่ตอนนั้นก็มีการเสนอตัวกันเยอะ สาริบุตรพระโมกคัลลานะเองก็ขอเสนอตัวแต่ว่าพระยาก็ปฏิเสธทั้งหมดพระนุนนั้นไม่เสนอแต่ว่าคณะสงฆ์เป็นคนเสนอก็ทำให้ท่านได้โอกาสในการขอพอรจากพระพุทธเจ้าแปดข้อพรนี้สำคัญอย่างยิ่งก็คือข้อสุดท้าย ต่วะพระพุทธเจ้าเสด็จไปในที่ใดก็ตามแตากว่าท่านไม่ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าสอนคนในที่นั้นว่าอย่างไงเนี่ยต้องกลับมาสอนให้ท่านฟังอีกเที่ยวหนึงเผื่อท่านจะได้ทรงจำเอาไว้พรานนลในสุดยอดมากเนี่ยคือเรื่องหัวใจเหมือนกับเทอจำไม่ได้ทั้งหมดคนที่ไม่เคยท่องเนี่ยอาจจะ ไปมองว่าการท่องนี่เป็นเรื่องยากแท้จริงเป็นเรื่องของการค่อยเป็นค่อยไปนะหลายๆปีคือสะสมไปเรื่อยๆแล้วข้อความเนี่ยธรรมะที่ทรงแสดงก็มีซ้ําเยอะเพราะเราจะไม่บดเอาไว้สักข้อหนึ่งก็อาจจะไปถึงที่อื่นไม่จําเป็นต้องท่องอะไร นึกเทียบเคียงเอาแล้วก็แปลวิพัตปัจจัยไปแล้วก็ได้ข้อความแลวได้เรื่องคล้ายๆการนัตตลกนัสูตรเนี่ยเราจำพวกรูปส่วงรูปเอาไว้เป็นหลักพอถึงเวสนาตญญาังขันวิญญาณก็เปลี่ยนวิพัตปัจจัยเอานะเปลี่ยนเพศเอาแล้วก็รู้อวัยกรมันก็ว่าได้กระท่องได้ พระนนท่านดำริว่าเธอจงปูราตอาสนะสำหรับภิกษุอาคารุกกานี้เถิดคือท่านคิดว่าเออพระพุทธเจ้ารับสั่งกับเราว่าอา น, นุนเธอจงปูราตอาสนะสำหรับภิกษุอาคารุกกานี้เถอดดังนี้เพื่อภิกษุใดพระผู้มีพระภาคทรงปรารถนาจะประทับอยู่ในวิหารเดียวกันกับภิกษุนั้น คือคำว่าวิหารเนี่ยมันก็เป็นอาคารเป็นที่พักนะฮะตอนนี้ไม่ได้ใช้คำว่ากุติแต่ใช้คำว่าวิหารวิหารบางทีเนี่ยคำว่าวิหารมันก็ใหญ่เหมือนกันฮะเช่นพวกพุทธวิหารในที่ต่างๆในมีลักษณะคล้ายๆกับวัดคือน้องๆวัดมาทีเดียว สัญชาติกรรมวิหารเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะประทับยร่วมในวิหารเดียวกับภิกษุอาคันดุกะซึ่งเราไม่พบบ่อยนะักก็แสดงว่ามีพระประสงค์ที่จะเชื้อชูยกย่องพระโสนาโกติกันนาะที่เดินทางมาไกลนะัะ มาจากอุเชนีในวันตีชนบทมาถึงสาวถีนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาพระนวงก็เลยปูราตอัสนะสำหรับท่านประโสนในวิหารที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ทีนี้เราก็แสดงถึงรูปแบบในการครองชีวิตของพระพุทธเจ้าปรากฏว่า เสด็จไปประทับพักผ่อนอยู่นอกวิหารเขาเรียกอภโอกาศก็คือในที่ว่างนะในที่ที่ไม่มีมุงบังเป็นอภโอกาศแล้วก็จากนั้นก็ส่งล้างพระบาทแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่วิหาร พระสงเองก็ปฏิบัติตามพรอพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่อภการอย่างนั้นตัวเองก็ต้องออกตามคือนี้ก็เป็ น, เ ป, นเป็นจารีเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่ตือปฏิบัติเช่นสมมติเราเดินไปพระเทราท่านไม่ได้สวมรองเท้าเนี่ยเราก็ต้องไม่สวมเลยเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพ แล้วบางทีท่านก็อยู่บนที่ตม่มเราก็ไม่ควรจะอยู่บนที่สูงอย่างสมมติว่าท่านเดินมาข้างล่างเนี่ยเวลาต้องการจะพูดอะไรกับท่านสมมติว่าท่านถามเนี่ยเราก็ไม่ตอบทันทีเราต้องลงไปก่อนลงไปอยู่ในพื้นระดับเดียวกับท่านก่อนจึงตอบไม่ใช่ตะโกนตอบลงไปจากข้างบนนะฮะ คือเป็นมันญาติอย่างหนึ่งของพระที่ต้องใช้ต้องปฏิบัติอย่างนั้นแต่แนวตัวนี้บางทีมันก็เลือนหายไปสังคมเปลี่ยนแปลงไปเขาเรียกว่าวัดปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยมันก็จางคลายไปคือถ้าเราดูแล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวลูกชาวบ้านในสี่วันนะ่ะมาพัฒนาด้วยกัน ก็เรียกว่าเข้าถึงด้วยการเข้าใจด้วยกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเราจรึงเห็นว่าพระยะบุคคลอย่างที่ตอนสุปพุทธกุติเราเห็นว่าเป็นกินขอทานแล้วก็เป็นโรคเรื้อนก็เป็นพระยะบุคคลได้บางครั้งก็เป็นโสเพณีบางครั้งก็เป็นแย่วกว่าโสเพณีนะฮะแพทย์สยา บางครังก็เป็นเพชฌฆาตจนจนครแดงเนี่ยก็เป็นพระยาบุคคลได้ก็เป็นเรื่องก่อเหตุก่อผลกันคือถ้าเราดูในหลักของพระพุทธศาสนาเองไม่ได้ไม่ได้กีบกันอะไรก่อก่อนมีเอกสารมาขอสัมภาษณ์อต่ยังไม่ได้ตอบข้าไปรู้สึกจะมาจะกีบบุญต้องการจะสัมภาษณ์เรื่อง เรื่องความคิดเห็นของหลวงพ่อพุทธทาที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีในพระพุทธศาสนาแดีวก็ น, นึกไม่ออกนะฮะว่าทำไมต้องไปถามความคิดเห็นหลวงพ่อพุทธทาทำไมไม่ถามที่พระพุทธญาตาทรงแสดงถ้าถามความคิดเห็นท่านพุทธทาจริงๆมาก็ตอบไม่ได้นะเพราะมาไม่เคยได้อ่านหนังสือท่านพุทธทาก็เรียกว่า ยังไม่เคยอ่านหนังสือจบสักเล่มหนึ่งนะครัของท่านพุทธทาสเนี่ยาาเราจะรู้สึกว่าเราจะอ่านหนังสือที่เป็นหลักมากกว่าแล้วก็ชอบอัตกิกถาพระไบรปิดกอัติกถามากกว่าที่จะไปอ่านหนังสือของปัจิเกชนอย่างนั้นนอกจา ก, กว่าเป็นหนังสือหลักๆถ้าอ่านมาความมาท่านเหล่านั้นก็ต้องค้นคว้ารวบรวมมาเรียบเรียงเลย เราต้องเอามาจากพระไตรปิฎกเอามาจากอัจฉริยะมีที่ไปที่มาที่เราอ่านแล้วก็เราก็รู้ว่าท่านองค์นี้มีหลักหรือพวกความคิดเห็นอิสระต่างๆเนี่ยไม่เคยได้อ่านฮนะครัเราถามจริงก็ไม่ค่อยรู้เพราะว่ายังนึกว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ควรจะไปใช้ความคิดเห็นมันควรยุติกลัก ที่เป็นบาลีพุทธวจนะหรือแม้อัตถกถาเองก็ต้องไปคล้อยตามบาลีพุทธวจนะคือเรามีหน้าที่เปิดเผยชี้แจงแสดงศาสนาธรรมในศาสนาคือไม่ควรจะไปใช้ความเห็นแต่แน่นอนวิธีการสื่อสารเราต้องใช้ภาษาธรรมดาภาษาที่คุณทั่วไปก็เข้าใจได้ ก็ทําให้ตรงนี้ยมันก็สะดุดที่ว่าเราเห็นธรรมเนียมอ่ะเออเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับที่อภพอกาศกลางแจ้ง อ, อพระที่อยู่ใกล้พระองค์ก็ต้องไปอยู่ที่กลางแจ้งด้วยแล้วก็เมื่อเข้าเนี่ยก็ต้องล้างเท้าไอ้นี่เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งนะฮะเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งว่า คือไม่ทําเสียาสนะสูงฆ์แปกเปื้อนมันเป็นวิเนัยด้วยอนเระจะต้องล้างเท้าให้สะอาดก่อนจะไปเหยียบอาสนะสง์ก่อนจะไปเหยียบพื้นอะไรต่างๆเนี่ยแต่ตรงนี้ก็อีกแหละคือโลกมันก็เปลี่ยนแปลงสมัยโบราณมันก็มีน้ําไปวางเอาไว้ไปตักใส่ภาชนะแล้วก็วางไว้ แล้วก็มีภาชนะสำอับตักล้างเท้านะก่อนจะขึ้นไปในวิหารเข้าไปในวิหารก็ต้องล้างเท้าเสก่อนเพราะเมื่อพระโสณะท่านตามเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าไปก็คือล้างเท้าแล้วก็เข้าไปสู่วิหารเนี่ยพระูุญีรพาก ก็ประทับอยู่ตรงนั้นแหละก็ใกล้รุง่งก็ไม่รับสั่งอะไรประกายรุ่งก็รับสั่งก็ประโศนาว่าคือจำนว น, นวนแปลกํานวนแปลกเราเวลาะแปรบาลีแล้วก็ไม่จะแปลยังไงกันคือใช้คําว่าดูก่อนภิกษุการกล่าวทำจงแจมแจ้งแก่เธอเถอิด ก็ลักษณะอย่างนี้คือบางทีเนี่ยคนต้องการอธิบายก็รับสั่งมาจงแจมแจ้งแกเตือเตอะอาจจะคงเป็นสำนวนนะฮะเป็นสำนวนในภาษาบาลีหรือว่าพระบางทีสะเทระเนี่ยเคยขอเคยขอเรียบเรียงพระบาลีพุทธวจนะซึ่งเป็นร้อยแก้วเนี่ยมาเป็นร้อยกลองมาเป็นฉันในลักษณะต่างๆ พระเจ้าก็รับสั่งว่าจงแจมแจ้งแกเถิเถิดแสดงว่าเป็นสมนวนอย่างหนึ่งในการอนุญาตโด้อย่ลืมว่าท่านโสนาโกติกันนาเนี่ยบวตมาแค่หนึ่งพรรสานะฮะแต่ว่าท่านก็เก่งท่านบอกว่าได้กล่าวพระสูตรทั้งหมดนี้16สูตร ก็ไม่ใช่เล่นนะฮะสิบกสูตรแล้วอจารเป็นวักได้แปดวักด้วยสรพันญะสารพัญญะก็คือกล่าวสวดสารพัญญะนะฮะแล้วก็ในเวลาจบสรพัญญะของท่านประโสนะเนี่ยพระเจ้าก็ทรงอนุโมทนาว่าดีละภิกษุดีละภิกษุ ทนี้พระสูตรสิบบกสูตรจัดเป็นวรรคแปดวรรคเนี่ยเธอเรียนมาดีแล้วถือว่นความท่านแม่นมากอะ่ะอ น, นึกถึงว่าพระสูตรสิบบกสูตรก็จัดเป็นวรรคได้แปดวรรคเนี่ยก็เนื้ อ, เ น, อเนื้อหาเยอะนะฮแต่ว่าท่านก็ไม่บอกว่าพระสูตรพระสูตรทีคณิกายมาจิบมาณิกายเพราะสมัยนั้นก็คงจะยังไม่เรียกกันนะอทีคณิกายมาจิบมาณิกายพวกนี้เป็นภาษาที่เรียกทีหลัง มือจัดหมวดหมู่บาลีพุทธวจนะมันก็ทําให้เห็นอย่างหนึ่งว่าปัญหาสำคัญว่าพระสูดเนี่ยท่านเอกมาจากไหนเพราะท่านไม่เคยพบพระพุทธเจา้าประก็ทําให้แสดงให้เห็นว่าท่านเรียนมาจากพระมากจรชนะพระมหากจรชนะก็ฟังมาจากพระพุทธเจา้าซึ่งก็หมายความว่าก่อนที่ พระมหากจรยนะจะไปที่อุชเชนีในวันดีชนบทก็ต้องอยู่ในสํานักพระพุทธญาณอยู่ก่อนเพราะว่าพระอาหารก็ต้องเรียนนะฮะเขาเรียกว่าพันธาคาลิกะปริยัติหรือต้องแม่นยําในพระบาลีพุทธวจนะต้องสวดต้องสาธยายต้องท่องไว้เหมือนกันเพราะมีหน้าที่ในการรักษ า, าศาสนาธรรมแล้วก็ คือยังนึกถึงว่าพระอาหารหันต์กับพระพุทธเจ้าเนี่ยประกัศเจริพนะระมหากาจเจริะกับพุทธเจ้าเนี่ยคงจะติดต่อกันได้นะฮะทางใจเนี่ยเพราะเราจะพบในที่อื่นตอนพระมหากาจรินะมเฝ้าเนี่ยพุทธเจ้ารับสั่งสั้นๆว่าเธอทั้งหลายจงใช้ชีวิต แม้แต่คืนเดียวเนี่ยให้เจริญเรือว่าพัดเดกัลโตผู้มีราตรีเดียวก็เจริญแล้วแม่ที่บายก็เสด็จลุกขึ้นมาเพื่อต้องการจะยกย่องเชิดชูพระมหากัจจายนะเพราะว่าท่านก็เรียกว่าเป็นพระบ้านนอกกันนะฮะนานๆจะเข้ามาในเมืองแล้วพระก็ยังไม่รู้จัก คนภิกษุก็ไปกราบเรียนดาท่านในท่านอธิบายท่านก็อธิบายจะพษษิจารณาไปร้องมากแล้วก็ย้าเตือนกับภิกษุกว่าก็ให้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าวา่าที่อธิบายมาอย่างเนี้ยถูกต้องไหมถ้าพุทธเจ้าทรงแสดงว่ายังไงก็ให้ไปจําทรงไว้อย่างนั้นคือมายึดติดที่ท่านอธิบาย แต่พอพระเจ้าทรงรับทราบภิกษุไปกราบทูลพระเจ้าก็บอกว่าหมาก็จะน่าอธิบายดีแล้วถูกต้องแล้วถ้าตถาคตอธิบายก็อธิบายอย่างนั้นเหมือนกันคือท้าเราเห็นอย่างหนึ่งแนวพิญญาเนี่ยแนวพิญญาเพราะเราพบในที่หลายๆแห่งไปกันที่ว่าพระพุทธเจ้ากับพระสาตีบุตรพระอนุพระโมคคลานะ ไอ้ประมาณกัจจายนะเกิดพระเถระทั้งหลายเนี่ยที่มีบทบาทสําคัญสําคัญว่าท่านอยู่คนละทิศละทางกันนะแต่เวลาพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะให้ไปในที่ใดหรือจะให้มาเฝ้าหรือจะไปทํางานอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเนี่ยมาอยู่ไกลกันเป็นยศๆโยดือเป็นร้อยโยศเป็นร้อยห้าสิบยศแล้วก็รู้กันนี่ย เวลาต้องการให้พระโมคคลลนะมาพบก็แป๊บเดียวมาแล้วอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แปบ๊บเดียวก็มาล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราเห็นว่าพวกอิทธิอิทธิฤทธิเราเนี่ยเป็นอิทธิปาธิหารเนี่ยก็มีบทบาทอย่างสําคัญในการเผยแผ่ศาสนาเพียงแต่ว่า ไอ้สิ่งที่คนจับได้เนี่ยคนเห็นได้เนี่ยคืออาเทศนาปฏิหารพระเจ้ารู้จิตใจของคนความคิดของคนแต่ละคนที่จะทรงแสดงธรรมกับอนุสาสนิปฏิหารคือความมาสจั์แห่งคำสอนที่ทรงยักยายเปลี่ยนแปลงแต่อิทธิฤทธิ์เนี่ยมันก็คนไม่เคยรู้นะนอกจากว่าเจ่นแสดงพวกยมกปฏิหารอะไรต่างๆบางครั้งต้องการจะกำราบคนซึ่ง กระด้างดื้อถือดีด้วยมาณะต่างๆเนี่ยพระเจ้าก็ใช้ฤทธิ์ใชฤทธิ์ดนโอกาสต่างๆพระหานทั้งทั้งหลายก็ใช้ฤทธิ์แต่แนวตัวนี้แนวโจแนวแนวอาเทสนาปฏิหารริเจตุปริยานเนี่ยไปรู้ใจกันคล้ายๆก็เป็นโทรจิตคือจิตต่อกับทางจิตได้ก็ทำให้พระมหาก็จรยนะนี่รู้เรื่อง คือกำหนดจิตดูว่าพระเจ้ากาลังเทศเรื่องอะไรเนี่ยท่านก็รู้แล้ะเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีหูที่เป็นทิพย์ฟังได้แต่ก็ใจท่านก็เป็นทิพย์ด้วยนะก็เคยมองพวกไปสามิทาสีนะไปสามิทาสีพวกรู้จักแตกฉาร น, นเหตุแตกฉานในผล แตกฉานในอัดแตกฉานใน ร, รมแตกฉานในภาษาแล้วก็แตกฉานในบทอภิปฏิพานาต่างๆพ้นโดยเฉพาะอย่างนี้คือนิรุตติไปสัมพิธาเนี่ยปัญญาแตกฉานในนิรุตเนี่ยกรอบมันอยู่ขนาดไหนนี่ท่านแม่อธิบายแต่เราก็เห็นหนึ่งๆว่าพระเจ้าเทศในที่ใดนี่ยไม่เคยมีล้ำ ว่าคนจะมาจากทิศใดๆก็ตามเราลองดูสังคมอารยันเนี่ยมันสมัยนั้นมันกว้างขวางมากในจุมพูทวีปเนี่ยอย่างยกตัวอย่างว่าพระเจ้าปุกุสาติเนี่ยก็มาจากตักกิลานะตักกิลามก็ออยู่แถวปากีสถ า, านในปัจจุบันก็โดยปกติท่านเหล่านี้คนเหล่านี้มันคงติดต่อกันไม่ได้หรอกภาษาเนี่ยแล้วก็มาถึงก็คุยกันได้ปกติธรรมดาพระเจ้าไม่เคยมีล่า ไม่ว่าเทวดาไม่ว่ามารไม่ว่าพรมไม่ว่าอะไรก็ตามที่มาพบพระพุทธเจ้าไม่เคยมีล้ามันก็ทําให้เห็นว่านิรุติไปสัมพิธานั้นคงเป็นทําให้ท่านรู้ภาษาด้วยญาณเนี่ยภาษาของใครก็ตามก็ทําไม่รู้ด้วยญาณแต่ว่าเวลาท่านแปลท่านเอามาเรียบเรียงมาพูดก็พูดเป็นบาลีนะ เดิเดิมจริงๆเนี่ยภาษาอะไรอะเรื่องกนคิดในที่ทนิรุตติไปสัมิทาปญัญญาที่แตกฉานในรุตติคือภาษาต่างๆเนี่ยผู้เจ้าสมรู้แม้แต่ภาษาของสัตว์สัตว์เขาพูดกันยังไงนะสนทนากันว่ายังไงที่นำมาแสดงในพวกชดดกทั้งหลายเนี่ย คือเวลาทรงถ่ายทอดก็ถ่ายทอดด้วยภาษาที่พระองค์รู้คือไม่ใช่เอาภาษาสัตว์มาถ่ายทอดแต่ถ่ายทอดถ้คนฟังก็ถ่ายทอดจากสิ่งที่ทรงรู้นั่นแหละแต่ว่ามาแปลเป็นภาษาบาลีก็มาสื่อสารกับคนแลเล่าเรื่องต่างๆแล้วทำให้เราไปยึด ต, ติดไปเข้าใจใคล้ายๆกันนิทานนะ่ะคนสมัยนี้มีเยอะแต่ไปแต่ไปพูดในทานอง เป็นด论มองนิทานเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไปนคล้ายกับเรื่องอิศพเรื่องศิวาราตรีไม่ใช่ไอไอพันเอตทิวานะฮะพันเอตทิวาหรืออาราปราตรีพวกอะไรกัเนี้ยบางทีมันใกล้ายๆกันก็ธรรมดาประวัติชีวิตคนมันก็ใล้ๆกันทีนี้ผู้เจ้ารับสั่งถามว่ารับสั่ง ชมเชยนะว่าเธอเรียนดีแล้วกระทาไว้ในใจดีแล้วจําทรงไว้ดีแล้วอันนี้คือคือเรื่องสําคัญเราเห็นว่าการศึกษาเนี่ยเรียนมาดีแล้วก็คิดคิดได้แล้วก็จําได้เวเ น, นียพนักวิชาการทั้งหลายพวกปฏิรูปการศึกษาทั้งหลายเนี่ยต่อต้านการความจำํำกับยังยังไม่เข้าใจอยจนเดี๋ยวนี้ว่าเขาคิดเัาอย่างไง เพราะยังนึกไม่ออกว่าถ้าเราไม่จำเนี่ยคือปูทวดเราช่วยยังไงเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้คือจำมันไม่จ ำ, จำเปจำท่องท่องเส ม, มอไปแต่เรื่องมันเรื่องมันท่องท่องเพื่องแบนยำเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าทรงแสดงองค์ของพระวูสูตรเนี่ยจะใช้ห้าข้อตลอด อันนีข้อที่สมเนี่ยบางทีก็เรียกว่าวัจสาปริจิตตาคือสั่งสมไว้ด้วยวาจาก็คือท่องแล้วบางทีนี่ทงชายก็มาว่าจุกตาคือคร่องปากเลยเพราะนั่นอย่างพระโสนาโกติกันนานเนี่ยทั้งทั้งคร่องปากเลยคือเรื่องที่นามาสาตยา น, นั้นไม่ผิดแล้วก็ที่สําคัญคือวาจาทานผัสาในเรื่องใหญ่นะครภาษาเนี่ย คือคนบางคนมีมีเสียงเป็นทรัพย์เลยเพรนักร้องบางคนเห็นไหมขายเสียงรวยเป็นมหาเศษเรษฐีไปเลยมีเสียงเป็นทรัพยบมีรูปเป็นทรัพย์ประเภทคนที่สนใจศาสนาถึงจําแนกไว้เป็นสี่ก็เรียกว่าโคสัปปามาณิกาและความน่าขันเกี่ยวกัเสียง รูปประมาณิกาให้ความต้องการแก่รูปธรรมะประมาณิกาเนี่ยให้ความต้องกาแก่แกระแสธรรมะแล้วก็รูขับประมาณิกาเนี่ยให้ความต้องกญแก่ความเรียบง่ายความปกติภาพบางคนที่จะเผยแผ่ธรรมะแสดงธรรมะเนี่ยมันก็หรูหราเดี๋ยวบางคนก็ได้อีกนะบานก็ติดพวกหรูหราหรูหราด้กัน คือเคยเคยสังเกตว่าแนวหนึ่งเนี่ยเป็นความจงใจที่เราเห็นนะจ๊ดแต่ว่าคนคนคนไม่เคยคิดเช่นว่าพระบางรูปเนี่ยท่านผิวขาวน้อยขมจีวรสีเหลืองแล้วก็เป็นแพร่นะฮะทีนี้พอต้องแสงเนี่ยแสงมันก็กระทบหน้าทำให้หน้ามีสง่าระศีมีความผ่องใส บางทีการรม่มการร่มสีแดงก็ไปด้วยมันก็เห็นว่าเออสง่าราศีสวยงามคนก็ติดในรูปก็ก็ดีก็ช่วยช่วยอย่างหนึ่งข้อที่ทรงสรเสริญก็คือเธอเป็นผู้ประกอบด้วยวาจาที่ไพเราะไม่มีโทษสามารถเพื่อจะยังเนื้อความไม่แจ่มแจ้ง แสดงว่าท่านคงอธิบายขยายด้วยนะอธิบายขยายความด้วยไม่ใช่ท่องเป็นอย่างเดียวและรับสั่งว่าภิกษุเธอมีพรรษาเท่าไหร่ครนีตามปกติก็เป็นที่น่าสังเกตเดียวกันนะฮะว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ค่อยเรียกชื่อ เป็นเรียกชื่อเนี่ยภาษาดิบุตรพระอานนท์พระโมคคลานะพระมาตัตาปะอะไรแต่เนียนะแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วก็เรียกพิสุเป็นเรียกรวมๆแล้วก็ประสนตาท่านก็บอกว่าข้าพระองมีพันศาหนึ่งก็สั่งถามว่าเธอได้ทำช้าอยู่อย่างนี้เพื่ออะไร จะถามทำไมปล่อยเวลามันผ่านไปเยอะคือเป็นการมองนะว่าพระเจ้าทรงรู้เห็นว่าคนคนเนี้ยที่ยุ่งขนจะบวชทัา้ ง, งานล้วตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญนะฮะคือคนบางคนไม่เหมาะที่จะเป็นฆราวาสคนบางคนมันเหมาะเป็นฆราวาสแ้วคนบางคนก็เหมาะที่จะเป็นพระ พันรอาเฉยว่าท่านท่านบวชพรรษาเดียวแต่ท่านเก่งมากๆเก่งมากๆสามารถสาธยายพระสูตรได้ตั้งสิบหกสูตรวักเนี่ยก็คือหมวดนะฮะหมวดแต่ว่าทำไมาจึงแปดวักเนี่ยก็ชักสงสัยเหมือนกันน ะ, ะเพราะถ้าสิบกสูตรมันน่าจะแค่สองวักนะนั่ น, นือตามปกติแล้ววักหนึ่งมันก็มีสิบสูตร นี่เดยเราก็ไม่รู้ประสูตรอะไรแล้ววักในที่นี้ก็เป็นวักในที่ไหนเพรอวักในทีกรณีกายก็ดีมาธี่มณีกายก็ดีส่วนใหญ่มันก็ ส, นนก ส, สิบสิบสูตรหรือบางทีอาจจะถึงสิบสองแต่ส่วนใหญ่ก็จะสิบนะทีนี้ท่านก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าข้าพระองค์ได้เห็นโทษในการมทั้งหลายโดยการละนาน แล้วก็ทงางคารวาสเนี่ยก็คับแคบอันนี้เห็นเห็นสองเรื่องนี้เห็นนะฮะแต่มันมีเรื่องรุงรังอ่ะท่านบอกว่ามันมีกิจมากมีกรณีะคือเรื่องที่จะต้องทำไอ้เว้ยมัก็ถ่วงไว้เรื่อยๆ เ, เ, เลยแล้วพระมาก็จายนะเองท่านก็ถ่วงไว้เพราะความไม่พร้อมในองค์สูง ที่จะบวชให้แล้วก็ท่านเองก็ํำรีในเรื่องนี้ทั้งสามครั้งนะฮะจึงได้บวชแล้วก่อนจะได้บวชอีกก็ใช้เวลาทั้งสามปีก็เลยก็เนิดช้ากันเป็นการใหญ่พเจยาทรงประรพพระโสนโกติกันนะรับสั่งว่าเปล่งนะเปล่งเป่ ง, ปงเป็นพระพุทธอุทาน ว่าพระริยเจ้าย่อมไม่ยินดีในบาปอันนี้คือคุณในลักษณะคือการยินดีในบาปนั้นเป็นอาการของกิเลสเป็นอาการของโมหะนะคือมันสืบเรื่องมาจากโมหะแต่ความยินดีอาจจะเป็นโลภะก็ได้อาจจะเป็นราคะก็ได้แต่ก็พระอริยะนั้นท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุได้ยินดี แล้วก็ไม่มีกิเลสเป็นเหตอแยินร้ายด้วยนะคือไม่มีทั้งสองอย่างวันก่อนดูข่าวมีผู้ใหญ่อายุตั้งสี่สิบกว่ า, าจะเด็กอายุสิบสามยี่สิบหกไปใส่กุญแจมือแล้วก็เฉื้อนวัยวะเพศยังสัมผัสหน้าตาเฉยนะพอที่จริงจะตัดนิ้ว จะตัดมือแต่ว่ากลัวม่โกดมันตัดไม่ได้เกลัวจะโหดเกินไปดูแกดูฟังแกพูดเถอะกลัวจะโหดเกินไปเลยไปตัดอวัยวะเพศไดเลยก็เป็นเรื่องแปลกกอยังนึกไม่ออกว่าคนเดียดนี่มคิดเป็นยังไจงจิตใจก็เป็นยังไงเราดูว่าข่าวคราวต่างๆมันสะสมความรุนแรงในเยอะอย่างที่ภาคใต้เราเนี่ย ที่ตัดคอพ่อแล้วก็ลูกแปดขวบเอาขัวไปต่อที่คอพ่อที่สมเด็จพระนางเจ้ารับสั่งเล่าวันกรอนนี้มีคนก็ส่งอะไรเขาเรียกซีดีนะวีวีซีดีหรืออะไรเนะี่ยเรื่องการตัดคอที่อิรักส่งมาดูก็เปิดดูหน่อยนึงก็ดูไม่ไหว ยังเอยว่าคนเรานี่โหดร้ายรุนแรงด้เกินคือทำบาปแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองทำบาปไม่แค่ยินดีในบาปเฉยๆนะฮะคล้ายๆกับสะสมความยิน ด, ดีความพอใจแล้วก็มองอะไรสั้นๆคนเราเนี่ยถ้าเชื่อกฎของกรรมเชื่อกฎของสังสารวัฏได้ คือการนับถือสิ่งสูงสุดนี่มันเป็นปัญหาในคำสอนบางอย่างเรื่อคํำสอนบางอย่างมันมีโอกาสที่คนจะตีความเพื่อให้ตัวเองทำอะไรตามใจตัวเองแต่อ้างว่าเป็นพระประสงค์ของผู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เดินไปตามทางผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นความรุนแรงเหล่านี้เราจะพบว่า ส่วนใหญ่ก็จะอ้างศาสนา่างทั้งที่ในศาสนาโดยเนื้อหาสาระจริงๆไม่มีแต่อ้างศาสนา ก, ก็กลายเป็นในร่วมมีพวกมากแต่ว่าที่จริงแล้วจะอ้างอะไรก็าตามถ้าบาปก็คือบาปบุญก็คือบุญเลยเพราะทำยังไงว่าใจ่า ย, ยินดีในบาป อยงี้บอกว่าหลักการในพรหมิหารเนี่ยเป็นหลักใหญ่มากนันเป็นเรือนใจเป็นหลักใจของมนุษย์คือถ้าเรามองคนด้วยความเป็นมิตรได้แล้วคนประสบความทุกข์เนี่ยเราเกิดกรุณาได้อย่างนี้อย่างเหตุการณ์ที่ฆ่ากันในภาคใต้ คือนึกว่าคนตายคนเช่นว่าผู้พากษาตายเนี่ยพัญญาก็เป็นไม่ลูกขาดพ่อเป็นกำพร้าอนาคตเธอจะเป็นยังไงแล้วถ้าครอบครัวเราโดนอย่างนั้นจะคิดยังไงบางคนคิดบาปแต่เขาจะไม่คิดอย่างในเรื่องกุมารกสูตร ท, ที่พูดไว้เนี่ยเราจะเห็นว่ารุ้ยยาก็สอน ตอนนั้นคิดโดยอุปมาว่าใหม่แต่ว่าใช้ทุกนะฮะจะทุกเป็นเกณฑ เ, เกณฑให้มองถือไม่ใช้บาปตอนนี้ก็พูดถึงใช่บาปแล้วท่านผู้สะอาดจะย่อมไม่ยินดีในบาปหมายความว่าความสะอาดที่จริงระดับศีล น, นั่นเองนะฮะระดับศีลคือกายสะอาดวาจาสะอาดกายสุจิวจีสุจิเนี่ยคือสะอาดกาสะอาดวาจาสะอาด มันก็ไม่อื่นไปเลยอีกอะไม่อื่นไปจากกุศลกำหนดสิบเจ็ดข้อแรกนะฮะเจ็ดข้อแรกวระพูดเฉพาะกายก็เฉพาะวาจาจนถึงใจเนี่ยมันมีความเห็นชอบแล้วก็มดเว้นไม่ล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของคนอื่น กวนจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเลวไหลตรงนี้เจอบ่อยนะเพราะถ้าเราดูสังค ม, มนี่ยมก็มีอย่างเงี้ยนะฮะงก็มีอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนี้อย่รแล้วเมื่อสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองแล้วก็พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเลวไหลอย่างเงี้ยเยอะเหลือเกินมากเหลือเกิน จนบางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็ฝังไม่ไหวนะฮะเอ็นึกถึงมาอ่านบทความหนังสือพิมพ์ที่จริงก็ชอบอ่านนะคือลองสังเกตว่าถ้าพูดตัวเนื้อหาวิชาการอย่าเอาคนเข้ามาเกี่ยวจะเป็นเนื้อหาวิชาการที่ที่น่าศึกษาน่าสนใจแต่พอคนเข้ามาเกี่ยวแล้วเนี่ยเราเห็นทันทีเลยเอียงเลย ความรู้สึกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกเนี่ยคื อ, ต, อ, ต, อต่อต้านรัฐา ต, ต่อต้านรัฐบาลแล้วก็จะชื่นชมกับพวกที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐเช่นเดียวกับตัวเองก็เลยจะเห็นว่ามันเป็นฉันทากติด้วยเป็นมุกหากติด้วยแล้วก็เป็นโทสากติด้วยแล้วก็เป็นพยาคติ บางครั้งบางคราวมีการเสนอเช่นว่าให้องการประชาชาติมาตรวจสอบเรื่องที่ถักใบอย่างเงี้ยอันเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้นึกถึงศักดิ์ศรีของความเป็นชาติชาติเราเนี่ยมีอิสระเสรีภาพเรื่องในบ้านเมืองเราเนี่ยทำไมจะต้องให้คนอื่นมานั้น คือถ้าอย่างนั้นทำไมองค์การตรางชาติไม่ไปจัดการในที่อื่นนี่มันตายมากกว่าเยอะทำไมมายุ่งกับประเทศไทยอะเราก็ไปยอมไปเชิญเข้ามาไปบอกเข้ามาแล้วคนเนั้นจะมีข้อมูลอะไรคนก็เราก็ทําได้นะฮะคนก็เราก็ทําได้เขก็ตั้งไว้แล้วอันนี้ก็คือคือเราเห็นอย่างหนึ่งว่า จิตใจนี่มันจะยินดีในในบาปแล้วก็ผลทุดทายเนี่ยเราจะเห็นว่าคนตอนนี้บางทีก็สัมภาษณ์เนี่ยเจอก็สัมภาษณ์ตอนโรคซานี่เราก็สุดหวัดนกเลเราก็สุดเลยเ ค, คือไม่มีชาติใดเราคนนะชาติใดเราที่หวังดีต่อเราเท่ากับคนไทย ทีนี้คนที่สะอาดเนี่ยทำไมจึงไม่ยินดีในบาปเพราะว่าได้เห็นโทษในโลกนี่เป็นการสะท้อนตัวอย่างของของแบบท่านโหนาโกติกา น, นะเห็นโทษในโลกเห็นโทษในโลกกิยวิสัยก็ถ้ามีฐานะมัง่งคั่งร่ำรวยนะฮะเพราะร่ำรวยมันก็รุงรังอะเรื่องเรื่องมันเยอะเลยปัญหาต่างๆมันจะติดตามมาเยอะ เมื่อก่อนไปอ่านข่าวเศรษฐีมีที่ฮ่องกงอะไรมีเงินตังเก้าหมืนล้านน่ะนะเก้าหมืนล้านเงินบาทแต่ดูแลดูดูจะไม่มีความสุขกันนะมีปัญหาเยอะถ้าเกิดเริมเป็นหาประหายุติการมองท่านท่านโสนาโกติกันนาที่ท่านได้บวชเนี่ยท่านมองว่า คาวาสเนี่ยเป็นที่คับแคบแล้วก็กามทั้งหลายนี่มีโทษก็เห็นสะเด็จ น, นะฮะการทั้งหลายมีโทษชีวิตแก็บเบอรคาวาสเนี่ยเป็นเป็นชีวิตที่คับแคบแล้วก็มีเรื่องมากมีเรื่องต้องจัดจะต้องทําจะต้องเกี่ยวข้องหนิมากกลายเป็นภาระเครื่องกงังวล แล้วก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองนะฮะมุมมองว่าใครจะมองได้ลึกซึ้งขนาดไหนถ้ามองได้ไม่ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะถ่ายถอนผ่อนคลายปรีกเข้าหาความสงดเงียบเนี่ยมันยากเพราะอะไรเพราะว่า ไอ้พวกวัตถุนีโลกวัตถุทั้งหลายนี่มันตอบสนองแต่ว่าความสุขทางใจเนี่ยมันต้องได้สัมผัสถ้ายังไม่สัมผัสแล้วเนี่ยยังใจยังไม่หนักแน่นมันคงพันทานเองก็ต้องชั ก, กเยอะกันหลายครั้งแล้วก็แนวตัวนี้ที่จริงก็ทั่วไปแก่คนทั้งหลายนะบางครั้งเราก็พบในพวกฉาโดโตกนขนาดพระโพธิสัตว์ถังใจจะบวช ก็ถูกพัญญาเขาขอร้องไว้เรื่อยๆตั้งแต่ตั้งใจจะบวชตั้งแต่ลูกคนแรกอ่ะจนลูกคนที่สามยังไม่ได้บวชเลยไหวจะตัดใจได้ก็เสียเวลาไปเยอะนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าตัวเนี้ยต้องรู้ทำอันไม่มีอุปธิอุปธินี่เป็นเรื่องใหญ่นะะอุปธิเขาเรียกว่ากิเลสูสปัชชิอุปธิคือกิเลส กมูปฏิอุปะิคือกามขันธูปฏิอุปฏทิคือขันสังคารูปะทิอุปะทิคือสังขารทั้งหลายเพราะอุปะทิได้มุ่ครุมหมดนะครุมทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมแต่ว่าอยู่ในกลุ่มของสมุทัยสัตว์นะอยู่ในกลุ่มของกิเลสกับกลุ่มของทุกขสัตว์อย่างขันเนี่ยขันธูปฏิเราเห็นว่าก็เป็นทุกขสัตว์กิเลสูปฏิกับพวกกิเลสทั้งหลายก็เป็น สมุทัยสัตวสังขารูปปทีก็เป็นได้ทั้งทุกขสัต์และก็ทั้งสมุทัยสัตว์ก็จิตใจของคนผู้อุปธีเหล่านี้ต้องจางคลายถ้าไม่จางคลายแล้วก็เห็นก็เหมือนไม่เห็นนะคือไม่สามารถจะสลัดออกได้ไม่สามารถทำจิตอิสระจาก พวกกิดมากมีเรื่องจะต้องจัดจะต้องทำมากได้ถึงจุดหนึ่งก็คือคนอาจจะอยู่ครองเรือนด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมะไปด้วยเนี่ยก็ได้เพราะจริงๆก็การเว้นบาปเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่รูปแบบนะมันอยู่ที่จิตใจของเราอยู่ที่กายวาจาใจเนี่ยเป็นประการสำคัญต้องฟังทั้งหลาย เสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมตุงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี